ทำประสงค์ในใจแล้วก็ตั้งใจรักษาใจของตัวเองอย่าให้มันไปแวบวับไปข้างนอกดึงความรู้สึกเข้ามาตั้งไว้ข้างในอันนี้ที่ตั้งใจถ้าไมไ่ตั้งอย่างนี้ไม่ได้มันแวบวับหนีไปดันั้นต้องประคองเข้ามาสู่จุดที่ตั้งข้างใน เอาทรงอกนี้เป็นที่หมายดึงเข้ามาความรู้สึกมันจดจ่อตรงไหนก็รักษาความรู้สึกจดจ่อไว้ตรงนั้นแล้วก็ฟังมีเวลาฟังต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่เราไปนั่งภาวนาคนเดียวภาวนาคนเดียวก็กาหนดกรรมาฐานดังที่แน่กำหนดลมหายใจเข้าไปก็ไปตั้งใจแ่นี้เร า, เ ว, าเวลาเราฟัง เราฟังก็ให้ตั้งใจฟังประคองใจไว้ในจุดที่ตั้งแล้วก็ฟังอยู่ในใจกอเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราให้ยินดีพอใจเราทําได้ทั้งข้างในข้างนอกนี่ถ้าเราสมมติว่าเราจะทําข้างนอกเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใ จ, จเกีเหตุข้างนอกอย่างว่าเราจะนึกถึงฐาน ซึ่งเรียกว่าจาคานุสติที่เราได้บริจาคทานมาทั้งน้อยทางใหญ่ทางอะไรต่างๆที่ทำมาเราเลึกเพื่อสร้างความปีติปาโมทให้เกิดที่ใจเพื่อหายใจมันยินดีในกิจที่เรากระทำนั้นที่ประกอบนั้น เมื่อจิตเรายินดีแล้วมันจะเป็นเหตุให้ใจเขาเรามันมันตั้งได้ดีงานถ้าบางคนนึกถึงทานถึงศีลถึงอย่างต่างๆดีๆเกิดปื้อปีตีแล้วไม่ตั้งใจก็เลยไม่ได้ประโยชน์อาจารย์ไปที่พายาวไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งว่ามันทำแล้วก็นึกนึกแล้วก็เกิดปื้มปีตีบางทีน้ำตาไหล อาวเนื้อจากนั้นไปก็เกิดบสบายใจอีกขึ้นก็เป็นอย่างนั้นสม่ำเสมอสมาก็เลยเนะให้บอกว่าเพื่อให้เอาประโยชน์สิประโยชน์จากปีติตัวเองนั่นแะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่ท่านให้นึกถ้เกิดปีติปาโมทึงความดีทั้งหลายที่ตัวเองทำและรู้จักตั้งใจตั้งใจดังที่บอกอยู่เดี๋ยวนี้ ต้องประคองใจเข้าสู่จุดที่ตั้งของเราทุกคนต้องหาจุดที่ตั้งของใจให้ถูกต้องวิธีหาหาที่ตั้งของใจก็เคยเนะนำบอกว่าให้การลมดูแล้วก็น้อมความรู้สึกเข้ามามันตั้งอยู่ในจุดใดรูด้ความรู้สึกอยู่ในจุดใดก็ให้จับจุดนั้นงานวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเราใช้ลมเนี่ยแบบ หายใจเข้าไปพุทสูบเข้าไปหตรงกระทบข้างในตรงไหนแล้วก็เอาถือตรงจุดสุดท้ายที่ลมกระทบเอาลมเข้าไปสูบพุทมันก็จะกระทบข้างในนั้นนั่นละวิธีตั้งจุดเอาจุดนั้นะ่ะข้างในนั่นแหละนี่เราตั้งจะตั้งใจโดยไม่กําหนดลม ก็เอาตรงนั้นน่ะใน้ช่นนึกกรรมาฐานอย่างอื่นอย่างว่าพุโทโธก็ให้นึกขึ้นตรงนั้นนะแล้วก็รักษาไว้ตรงนั้นนันเป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นจุดที่ต้องตั้งเมื่อเราเพียรพยายามรักษาใจาของเราไว้ในจุดนั้นนานเข้านานเข้าความคุ้นเคย้วยความเคยชินจิตก็จะสนิทแนบที่ตั้งนั้น พอมันจิตสนิทแนบแน่นในที่ตั้งอันนั้นแล้ว <c oughs> เราก็ประคองไว้จงนั้นแล้วก็ไม่ยากต่อจากนั้นความชุ่มชื้นมันก็เกิดในจุดนั้นเองนี่กว่าปิติสุขมันเกิดขึ้นที่นั่นถ้าเกิดออกไปข้างนอกไม่ได้าบางคนเกิดปิติมากถึงทำน้ำตาไหลบ้างถึงร้องไห้บ้างมีเยอะแยะไป เพราะว่าไม่ตั้งฐานของจิตนั่นเองจึงเป็นเป็นแล้วก็เลยเป็นอันตรายแก่จิตใจไปก่มี <c oughs> พอไม่รีบตั้งฐานจิตฐานตรงนี้นะสำคัญมากให้เราตั้งจุดมุ่งหมายเขาแะไรตั้งให้มันนิ่งให้มันหนิมให้มันอยู่ตรงนั้นเสก่อนแต่เม่อไหรหมายความเราไปเพ่ ง, ไ ป, งไปบังคับไปบีบน ประคองความรู้สึกของเราหนะ่อยไวมันตั้งนิ่งอยู่ตรงนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกขณะและหลักการของนักภาวนานะี่ท่านทำเราจะคิดสิ่งใดก็ให้ตั้งใจซะก่อนตั้งใจลงไปแล้วจึงจะคิดเรื่องนั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่จิตใจแล้วก็จะไม่เป็นภัยแก่สมอง คนคิดอะไรไม่ตั้งใจเเพราะว่าความคิดมันใช้สมองโดยมากวิ่งเข้าไปสมองแล้วก็เอาสมองปวดสมองไปคิดมากแต่ถ้าเราตั้งฐานไว้ในที่ใจแล้วสงบใจซะก่อนแล้วก็ใช้ความคิดเราก็ใช้สมองเหมือนกันนี่เมื่อเราคิดเสร็จสับเราก็เก็บประคองใจก็เราเข้าสู่ฐานที่ตั้งนั้นอีกเพื่อลบลาง ความคิดการรับลบล้างความคิดของเรานั้นทำได้สองอย่าง <c oughs> อย่างที่หนึ่งก็คือประคองเข้าสู่จุดที่ตั้งแล้วก็จดจ่อความรู้สึกให้หนึ่งอยู่นั้นเมื่อใจสงบลงแล้วมันก็ล้างความคิดที่เราคิดไปอีกแบบที่สองล้างด้วยกรรมาฐานของเราล้างด้วยลม น้ำในลมนุ้จะเป็นประเภทที่ดีที่สุดเดี๋ยวเราสูบลมหายใจพุทโถพุธโถพุธโถแรงๆแล้วจึงจะปล่อยวางหยุดมันกล้างความคิดล้างทั้งอารมณ์ทั้งหลายออกได้หมดเรื่องวิตกวิจารณ์ความคิดความฟุงความแป่งมันฟุ้งซ่านถ้าเราใช้ลมแรงๆนี่ยพุธโถพุธโถบังคับมันไว้สักช่วง มันก็จะเปลี่ยนอารมณ์ได้บางครั้งไม่หายจาเป็นต้องกั้นลมกั้นลมไปม น, นานเกือบจะขาดแล้วก็ปล่อยหายใจพโทพโทพโถโทพโทโถโพทโถโจนถ้ากั้นวมไว้แล้วมันก็ครั้งแรกก็อ่ดอาดพอหายใจมันจะสบายเมืม่อใจสบายแล้วมันก็ปัดอารมณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆนั้นออกจากใจได้ ฐานที่ตั้งตรงนั้นแหละมันมันเป็นทางให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาความเห็นตามความเป็นจริงเป็นสิ่งที่สําคัญมากความเห็นนั้นมีสองสองอย่างคือความเห็นผิดกับความเห็นถูกและที่เกิดของความเห็น ก็มีสองความเห็นหมายถึงความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่ท่นานใช้กาเห็นถ้าหมายถึงใจไปดูความคิดเห็นอันความเห็นอันหนึ่งเกิดจากความคิดมีเหตุอันไรแล้วก็วิจารณ์วิจัยไปตาม เหตุการณ์ต่างๆนั้นก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาท่านก็เรียกว่าความเห็นตัวอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นนี้ก็เกิดความเข้าใจขึ้นมานั่นแหละนั่นเรียกว่าความเห็นจากเกิดจากความคิดเกิดจากการวิจารณ์วิจัยต่างๆความเห็นอย่างนั้นเป็นความเห็นที่เรียกว่าโลกิยะความเห็นอย่างชาวโลกเห็น ความรู้ขึ้นมาอย่างช้าโลกรู้แต่ความเห็นอีกแค่นึงตึงเกิดจากฐานของสมาธิข้างในคือตั้งใจข้างในประคองใจขึ้นมาแล้วก็ถามที่ใจประคองให้ใจรู้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ถามในเหตุหรือปัญหานั้นเราตั้งปัญหานั้นลงในฐานที่ตั้งนั้นนั้น แล้วก็สอบสวนขึ้นเอาขัางจนเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาตามความเป็นจริงอันนี้เป็นความเห็นของฝ่ายธรรมมาซึ่งเป็นฝ่ายเห็นจริงเห็นแจ้งต่างมิจละถอนนี่นก็เป็นโลกุตระความเห็นแต่ถ้ายังไม่ละได้ก็ยังเป็นโลกียาอยู่แนววิธี ที่จะให้เกิดความเห็นในฐานของที่ตั้งของสมาธิแล้วก็ประคองใจเข้าสู่ที่ตั้งเพรว่าเราจะประสบสเรื่องความเห็นว่าอืออใจนันคืออะไรนี่ป้างปัญหาึนะ้นนแเราประคองรู้อยู่ในจุดในฐามขึนะ้นมาว่าไหนใจแล้วก็นิ่งฟังใจนั้นคืออาการอย่างใดอ่ะแล้วก็สงบฟัง สอบสวนเอาจนรู้จนเข้าใจแล้เราไม่ได้วิ่งไปข้างนอกอยู่ในฐานนั้นข้างในนั้นเองก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาตามความเป็นจริงแต่บางอย่างนั้นเราได้ยินได้ฟังมาแล้วได้ยินได้ฟังสมว่าอเวทนาคืออะไรเราได้เรียนมาแล้ว อาการที่ใจเสวยอารมณ์ไม่าสาบายบ้างไม่สาบายนั่นเรียกว่เวทนาถ้าเราไปตอบก่อนมันก็ตอบตามสัญญาเราต้องนิ่งถามว่าอสัญญาทั้งทั้งี่เรารู้มันก็ประคองใจแต้ตรงไอ้สัญญานะีคือแหละก็ทำใจให้นิ่งฟังจนจ่อความรู้นั่นมันจะเกิดขึ้นมา ภายในใจเองอสัญญาคืออาการหนึ่งต้กงเยียลรู้ึ้นมาในสังขารล่ะเป็นไงถ้ว่าตามสาวประสังขารเข้าไปว่าปรุงแต่งคิดนึกอกนะไรนี่ก็เอาเข้ามาถามว่ามันคิดมันนึกอย่างไรล้วก็จะพิสูจน์ได้ เดยว่าข้างในสมมตว่าในขณะที่เราตั้งอยู่ถ้าเอาบาตั้งมาครองไว้ข้างไหนประคองเข้าไปให้มีมีความรู้สึกรู้อยู่ถ้าจะกําหนดแยกกําหนดรู้เวทนากับใจไหนเวทนาไหนใจนถ้าประคองจะให้รู้เวทนาคือรู้สึกว่าสบายไม่สบายมันก็มีอยู่นั่นเอง นี้ถ้าเราจะประกอบเอ อ, อ ไ, ม ไ, มไม่ไม่ไม่ให้รู้เวทนานี่ยจะจะให้รู้ใจแล้วก็ประกอบเข้าเฉพาะจุดู้ไม่เอาใจใส่เวทนาคืออาการสบายไม่สบายนั้นอย่างนั้นก็เรียกว่าทำหน้าที่ที่ทีทละอย่างคือไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องสบายไม่สบาย แล้วก็พิสูจน์อยู่ในหลักข้างในนั้นนี่เป็นวิธีสำหรับให้ปัญญาให้เกิดฐานของในฐานของสมาธิานี้ถ้าเราก็จะกำหนดรู้กายพิจารณากายก็ทาเอาใจของเราแนบไว้ที่กายรู้ที่กายทั้งหมดนี้แล้วก็ประคองใจ แต่ตามอาการของของกายที่มีที่เป็นนั้นพี่นาะถึงเรื่องเรื่องความเกิดของร่างรูปหลังกายรูปหลังกายของเราของชายและหญิงทั้งหลายมันเกิดขึ้นว่าถึงเกิดการเกิดของรูปหนึ่งพวกเราเกิดมาแล้วมาจากไหนอ่ะก็มาจากท้องแม่นั่นแหละเป็นรูปล่างขึ้นที่รูป ท, ที่ท้องแม่ ก็เป็นตัวเป็นตนออกมาแล้วคือเจริญเป็นตัวเป็นตนมาถึงปัจจุบันก็มาจากโน่นความจริงมันก็ไหลไปตามอาการนั้นทีนี้เอาขนข้างในจริงขนข้างในว่าการเกิดของรูปเอาว่าถึงการทรงอยู่เป็นไปของรูปอาศัยอาหารนั่นแหละร่างกายจริง อาหานะั่นแหละเป็นเครื่องเสริมร่างกายให้เป็นไปให้เกิดอีกคือมันเกิดเพิ่มร่างกายของเราเนะึะไอเชื้อเดิมมันมีอย่างพวกผมพวกเหงี่มันก่อมีสตารติดสืบเนื่องเราตัดผมเก่าให้มันเฮี้ยนมั น, มนก็ป่งขึ้นมาอีกแต่พออาศัยอาหารบำรุงเข้ามันก็ออกมาทําให้สืบเนื่องกันอย่างนั้นเราไม่ได้แล้ว อย่างของที่ไม่มีวิญญาณไม่มีสันติสืบเนื่องอย่างว่าสา ก, กรราพิกเขาทมทุกวันทุกวันมันก็เหี้ยนเกียนไปเรื่อยๆสากรรมแต่ทีนี้เท้าของเราที่เราเดินไปเดินมาแท ม, มันเหวยนเหี้ยนราะว่ามีสันติสืบต่อกันหนังเก่านะร้อยล้อหุ่นไฟหนังใหม่ต้ก็ป๋องขึ้นมาแทน มันติดต่อกันนีว่าถึงเหตุให้เกิดอะไรเหตุนี้เกิดตามหลักธนว่าอาวิชชาตันหาประทานกรรมนันเป็นปัจจัยให้รูปนี้เกิดอวิชชากรมหมายถึงความไม่รู้ หมายถึงใจนะั้นมันไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จักใจตัวเองด้วยเป็นตัววิชาในหลักว่าไม่รู้ทุกไม่รู้จักเหตุทุกเกิดไม่รู้จกความดับทุกไม่รู้รู้จักวิธีปฏิบัติจะให้ข้ามพ้นทุกเป็นหลักวิชาแต่ว่าโดยไม่เอาความหมายกับหมายถึงว่าไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักใจ น, น่นันเป็นอตัววิชาใหญ่ รู้แต่จากชื่อมัน่ะรู้ไปแต่ข้างนอกอ่ะแต่ไม่มารู้ตัวเองใจของเราแต่แต่ละคนมันมีปกติส่งออกไปทางนั้นทรงรู้อารมณ์ตลอดรู้ยังไง ร, รู้ทางตาสองไปทางตานะ่ะรู้รูปทั้งทุกชนิด แต่ทีนี้ยมันก็ไม่รู้ตัวเองดีนะไม่รู้ใจล่ะมีแต่ใจไปรู้แต่ไม่รู้ใจงั้นหลักที่ถูกต้องตึงใจรู้แล้วก็รู้ใจใจไปรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็จะม่ต้องรู้ตัวผู้ที่ไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นด้วยเรียกว่ารู้ทั้งสองาง ไม่ใจ่รู้ข้างเดียวใจที่มันไม่ได้รับความสงบมันเป็นอย่างนั้นมันไปรู้แต่หน้าเดียวรู้ไปแต่ข้างหน้าข้างหลังไม่รู้ใจรู้แต่ว่าไม่รู้ใจนั่นแหละสำคัญจึงเป็นตัววิชาทีเมื่อไม่รู้ไม่รู้จากตัวเองใจมันก็มองไปข้างนอก ไป ม, มองเห็นสิ่ง้ดก็อยากได้สิ่งนั้นต้องการสิ่งนั้นปรารถนาสิ่งนั้นๆๆนั้นอยากจะได้มันทั้งนั้นทำไมจึงอยากได้ที่อยากได้ก็เพราะคิดเห็นว่ามันเป็นสุขถ้าได้อย่างนั้นถ้าได้สมประสงสมบัติมันจะเป็นสุขคิดไปว่ามันเป็นสุขเอาได้มาเป็นสุขจริงไหมเป็นสุขได้เป็นสุขแล้ว แต่ว่าสุขอย่างนั้นมาอยู่ตลอดไหมมันกลับไม่ตลอดมันกลับหายไปเพราะปฏิจัยอย่างว่าพวกเราไม่รู้จักทุกเรารู้จากกันทุกอะแต่ไม่รู้จักไอ้ผู้ที่มันรับทุกตัวที่มันไม่รู้รับอะตัวที่มันไม่รู้ทุกก็คือใจ หลักของพุทธิจารจึงให้ให้เรารู้จากใจและให้ใจรู้ด้วยทั้งสองหน้าไม่ใช่หน้าเดียวเห็นนันตันหาเมื่อทะเยอทะยานวิ่งเข้าใส่ละมันเข้าใจว่าสิ่งไหนจะเป็นสูงตะคบเอาทันทีนันทันหาอย่างว่าทะยานอยากอยากไงอ่ะอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็น สิ่งใดที่เห็นว่ามันดีมันเป็นส่วนของอยากได้ทั้งอยากได้มาอยากได้ในสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังมันละอยากได้มาให้ตัวเองแล้วยังไม่พออยากจะได้มาได้มาให้คนอื่นอีกอยากให้อยากได้ให้ที่ให้น้องให้ญาติให้มิตรให้สามีไป มันไม่จึงจอวตันหาร้อยแปดถึงจะอยากได้อันเดียวเถอะนะครั้งแรกตัวเองอยากได้นะเอาตัวเองได้ยังอยากด่าให้คนอื่นเขาได้อีกเหมือนถึงได้ของภายนอกมาที่นี่อยากเป็นอยากจะให้ตัวเราเนี่ยมันเป็นที่อื่นกลหรอกแล้วตัวอย่างคนดูละคร เนขาโน้มน้าวเลยสมมติตัวเองเป็นพ่อเอกนางเอกขึ้นไปน่คืออยากเป็นให้ตัวเองเป็นนั่นแหละหรืออยากจะให้ตัวเองมันเป็นคนผู้วิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้อยากเป็นมันจากเป็นเป็นด้วยความคิดทีนี้ก็ปรุงก็แต่งสร้างตัวเองเป็นนีอยากจะเป็นใหญ่ก็สร้างตัวเองเป็นใหญ่ขึ้นไปเลยนีกว่าเป็นด้วยความคิด ที่เขาเรียกว่าสร้างวปมาในอากาศคิดเป็นคิดตัวเอาตัวเองเป็นในความคิดมันก็เป็นตัวเป็นตนสร้างรูปตัวเองสร้างภาพตัวเองไปไปตามความคิดหนึ่งนี่คืออำนาจตัหาอยากเป็ น, นัะไเอย่งไม่พอทีนี้สร้างตัวเองเป็ น, น, นอย่างเะสร้างคนอื่นมี สร้างพี่สร้างน้องสร้างอยาติมิตรให้เป็นอีกตันหาอยากเป็นทีนีตันหาไม่อยากเป็นทีอันไหนมันไม่ดีไปอยากเป็นมันทางนั้นเนาะแต่ว่ามันดันไปเป็นเข้าไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากเป็นคนเจ็บไข้ติดป่วยไม่อยากเป็นคนตายเลยอยากไม่เป็นไอ้สิ่งที่มันไม่ดีอยากเป็นแต่มันดันไปเป็นไม่อยากเป็นคนแก่มันดันแก่น่ อยากเป็นคนเจ็บไข้เดือ่วยไม่อยากเป็นโรคนั้นโรคนี้ไม่อยากเป็นโรคมะโรงบ้าเล้งไม่อยากเป็นโรคเอดโรคอาบมันดันไปเป็นเข้าแห่งนั้นก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าต้นเหตุของทุกข์คือตัณหานั่นเองที่มันจะเทยอะไ้เนี้ยมันก็มาจากวิชานู่นก็เพราไม่รู้ว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยเป็นทุกข์ยากเรียกว่าเห็นตามที่ตัวเองต้องการ มันไม่ถูกจุดไม่ถูกที่ที่จะเหตุเกิดความสุขที่แท้จริงเครดิใจจิงทีทางเสียใหม่อยากได้อย่างนั้นมันไม่เป็นสุขหรอกมันเป็นทุกข์กันแหละแต่มันเป็นเป็นการมาสุขสุขก็อาศัยความค่ายความยินดีความพอใจถ้ามีความยินดีพอใจเลยอยู่ตราบใดก็เป็นสุขอยู่ตราบนั้น แต่ว่าขาดความยินดีพอใจทั้งเมื่ อ, อไรก็หายความสุขวันนั้นอุปทานมัดไว้ผูกไว้จับไว้ไอ้จับไอ้ความอยากได้ความต้องการความปรารถนานะวมันเป็นของดีมันจับมันถือไวอ้างมันผูกรัดติดสนิท อันนี้เฉพาะภายในอวิชชาตันหาอุปทานอวิชชาตันหาประทานนี่มันเป็นภายในใจโดยเฉพาะไม่ได้ทำไม่ได้พูดกรรมสุดท้ายกรรม พอมีไอวิชชาดันเผาประธานกรรมมันก็ทำไปตามความเข้าใจขึ้นความต้องการตัวนั้นเรเรียวกว่ากรรมทาไปทางกายบังพูดไปทางวาจาบัางสั่งมโนภาพทางใจบางตัวนี้เองที่เป็นกรอบเป็นเยื่อใยเป็นเครื่องขู่กรับเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายเกิดถ้าเอามาละตัวตันหา ยังสัตว์ให้เกิดทันหาเป็นแม่มะ น, นะเป็นพ่อนั้นเป็นทาเป็นเหตุปัจจัยให้มนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทั้งหลายไปถือเอาพบ ทีนี้เอาเข้าในเฉพาะจิตใจของแต่ละคนละคนน่มันมีอวิชชาตาหนาเแล้วมันก็ถืออุปทานถือรูปภาพของตัวเองไวหรือว่าถ่ายรูปถ่ายเอารูปของตัวเองนั้นเอาไว้ในดวงใจเจ็บหอมรอมลิฟ์ไว้ในดวงดวงใจเหมือนกับมเมล็ดของพืชต่ตางๆ เอาตัวอย่างมาเมล็ดมะม่วงมันเก็บกิ่งก้านสาขารดอะไรต่างๆไว้ในมเมล็ดทั้งหมดถ้าเราเอามะล็ดมาแกะดูมเมล็ดมะม่วงแกะมันก็มีแค่เป็นใม้นวนธรรมดาแต่ถ้าเราเนยไปเก็บเรานาไปเพาะต่างมันก็งอกเป็นต้นมะม่วงขึ้นมา มีกิ่งนีกา้านมีเกลือกมีใบขึ้นมา่ะมันเก็บไว้ในตมาร์ตมนั้นทั้งหมดหอ่ะใจกรรมการมันเก็บขันห้าไว้ในใจน่นอีกครั้งนึงท้งท่าอาศัยขันห้าคือรูปอันนี้นี่คือมันถือเป็นฝ่ายรูปหยาบที่เป็นอันนี้มันสำเร็จผลแล้วรูปร่างกายของเราแต่ละคนที่เราได้มันเรียกว่าวิบากกรรม มีบากขันใจมันอาศัยขันแล้วยังมีขันอยู่ในใจในอีกครั้งนึงเหมือนกับมล็ดาม่วงเก็บต้นลำกิ่งก้านสาขามันไว้ใ น, มนเมล็ดนี้มวมันก็งอกออกมาอีกถ้าปลูกเข้า ใจนี้ก็เมือนกันเมื่อมายังติดอยู่ในตัวประธานนั้นยังโูกรัดมัดขันห้าไว้ในใจใจสลัดออกจากร่างกายนี้ขันตัวนี้ขันที่คองที่เป็นขันอดีตเป็นเป็นผลวิบากสลัดออกก็เข้าไปสู่เหตุเรียกว่าเข้าสู่พบ เข้าสู่ที่ตั้งเหมือนกับนำมเมล็ดไปปลูกที่ดิ น, นก็งอกขึ้นมาหายใจที่หออะไรต่างๆเขาก็เข้าสู่พบตามพบรู ป, ปรพบอารู ป, ปรพบตามมาพบเป็นที่ตั้งของดวงวิญญาณ ที่ผูกลัดลึงเอาการมาคุณทั้งห้าไว้ในใจเต็มก็เป็นมนุษย์สัตย์ฉันเป็นมนุษย์เป็นเทวดามารพมมีฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลก็มาะนรกเปิสุรากายสัตยชนันนั่นขันหยาบ <c oughs> ใจของเราทุกคนนั้นมันถือรูปอุปทานถือรูปหยาบจะถือรูปละเอียด ถ, ยถือรูปหยาบก็คือรูปร่างกายของเราชายหญิงทั้งหลายที่พากันนั่งก็ถือในวนัยนี้แล้วยังรูปละเอียดคุภาพที่มีในใจของทุกคนในขณะที่ใจของเราในยังของร่าง ตื่นอยู่เรียกว่าจิตสำนึก mm hmm. คือจิตที่มีสติเ ต, ตื่นตัวรู้กายอยู่นี่ะเรียกว่าจิตสำนึกทีนี้จิตใต้สำนึกหมายถึงเรานอ น, อนหลับ mm hmm. ใจไม่ถือรูปร่างกายแล้วไม่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเรียกว่าดับความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เข้ารู้ทางใจ รูปละเอียดก็ปรากฏขึ้นให้ใจถือก็เป็นรูปเรานี่แหละทุกคนก่อนเคยนอนหลับแล้วก็เคยฝันบางทีฝันไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เป็นตัวเองนี่แหละแต่รูปร่างกายน้มามันนอนหลับอยู่นั่นไม่ได้ไปไหนแต่ใจนั้นก็ถือเอารูปละเอียดภายในไป เที่ยวเท่นั้นที่เห็นหมู่เห็นคณะเห็นพวกแลต่างๆบางทีคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่ากมันก็เอาความคิดนั้นเปตัวเป็นตนเป็นเหตุการณ์ต่างๆไปตามเรื่องนั่นแหละคือรูปละเอียดหายใจนี่ยังไม่สามารถที่จะสลัดรูปหยาบรูปละเอียดออกได้ก็ยังท่องเที่ยวเกิดอยู่ตาบนั้นพระเทเจาจึงสอนให้เรา ตลาดตัวอุปทานตัวถือตัวยืดเอารูปหยาบรูปละเอียดไว้นั่นแหละที่ว่าตามหลักปรญยาการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พันายณาถอยหลังทั้งทั้งอนุโลมแล้วปฏิโลมปฏิโลมก็คือพินากลับตั้งแต่ตั้งแต่เพราะเรา มิชะลาพยาธิมรณะความแก่ความเก็บไข้ได้ป่วยหรือโสกกระปริเทวทุกขโทมานาตุปายาตหรือความแก่เท่าชะลาของรูปหลังกายหรือความแก่เท่าชะลาความแตกดับความตายของโลกของรูปหลังกายนี่มันมาจากไหนสาวเกินไป